อริยะแปลว่าอะไรอริยะอริยะแปลว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสความหมายจริงๆของของเขาในภาษาบาลีก็เรียกอริยะพอมาเป็นภาษาไทยก็เรียกพระอริยะแล้วก็เติมเจ้าเข้าไปให้มันดูว่าหน้าเขาลุกกราบไหวหน้าเลื่อมใสพระเลียะเจ้าก็าคือผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเนี่ย รลังคายห่างไกลาจากกิเลสเลวบาอริยเจ้าจริงๆ ก, ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าหมายถึงพระอรหันตพระปฏิฆกุทธเจ้าเป็นผู้ห่างไกลาจากกิเลสหมดกิเลสต่อมาก็ขัดครลอกิเลสได้กิเลสน้อยลงไปพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระนาคามีพระอรหันต ทีนี้พูดถึงพระโสดาบาันก่อนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้จเจริณาริยมักริยมักมีอปหมายถึงที่เราปฏิบัตินี่แหละเป็นริยมักนะหมายว่าทางปฏิบัติเพื่อให้ห่างไกลจากกิเลสบางทีเรเรียกว่าทางกานประเสริฐเพราะมันดับทุกข์มันหมดกิเลสมันดับทุกข์ได้ ก็เลยเป็นเดียวมประเสริฐมันเป็นทางไปสู่อริยะคือหมดกิเลสทางไกลกิเลสก็คืออริยมรรคเม่องแปดมีศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงมีอริยมรรคไม่องแปดการที่มีผู้ปฏิบัติตามอริยมรรคม่องแปดเนี่ยทำให้มีสมณะเกิดขึ้น คือผู้ที่จิตใจสงบจากกิเลสเรียววาสมาณะนอกนั้นไม่มีเลยศาสนาอื่นพระพุทธเจ้าไปมาหมดเลยนะตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์เนี่ยชาติปัจจุบันนี่ยไปศึกษาไปเรียนรู้ทุกลัทธิไม่ทำให้คนทุกได้ พราฉ่นนั้นพูดถึงลัทธิอะไรอะไรพูะเจ้าเข้าใจหมดเลยสุภธาปริภาชก็ไปตะเวนไปตะเวนไปเพื่อที่จะไปศึกษาคำสอนสำนักนั้นสำนักนี้กะว่าจะไปให้ทั่วถึงเลยก็ยังไม่ได้มาสำนักพระพุทธเจ้า ไปแล้วก็รู้ไม่ใช่ทางดับทุกข์ไปเรียนรู้ศึกษาก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นทางดับทุกข์พอดีได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้ากาลังทรงประชวรก็เลยรีบเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอเข้าไปฟังพระพุทธเจ้า เพื่อทูลถามความสงสัยพระอรนุ์พุทธุปถาขอห้ามเอาไว้เพรา์พระองค์กำลังทรงประชวนอยู่ยังไม่ใช่เวลาที่จะเข้าฟ้องพระองค์เรามีการขอร้องอ่อนหวนพระพุทธเจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าก็ถามดูก่อนอนณ์มีอะไรเหรอ อ น, นกบสุภทัปริภาชกอยากจะเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อทูลถามปัญหาพระเจ้าค่าให้เธอเข้ามาเถิดนะพระเจ้าโนนป่วยอยู่เลยนะววละสุดท้ายแล้วสุภทัเข้าไปก็ถามก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยไปตะเวนไปสำนักนั้นสำนักนี้ก็ว่าดีหยอดเยี่ยม ว่าจะเป็นทางพ้นทุกแต่ก็ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้พอพูดไปพูดไปพู้เจ้าก็เลยห้ามดูก่อนสุภัทะขณะนี้เวลาเราน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเธออย่าพูดอะไรให้มากความเลยาศาสนาไหนก็ตามไม่มีอริยมรรคีนองค์แปดเป็นเครื่องดำเนินาศาสนานั้น ไม่มีสมณะเกิดขึ้นสมณะก็คือผู้ที่สงบจากกิเลสห่างไกลจากกิเลสในสาศาสนาของเรานี้เท่านั้นที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์แปดทให้เกิดสมณะขึ้นสสมณะคือสมณะที่หนึ่งเลวภสุาดาบันสมณะที่สองเลวพสัสสกธาคามีสมณะที่สามเลวพ นาคามีสมาธี่เรียกว่าพระหลานสุพทาได้ฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสามารถบรรลุเป็นพระหลานได้เรียกเป็นสาวกองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าพระหลานองค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่บรรลุธรรมบรรลุธรรมในขณะที่พระองค์ยังทรงกระชอนอยู่ สมณะที่หนึ่งคือปะโสดาบันพระพุทธเจ้าก็พูดถึงเอาไว้ว่าเหตุที่จะทำให้บรรลุรสโสดาบันได้มีอยู่สีอย่างเขาเรียกว่าปัญญาวุธิธรรมให้ตรวจสอบดูตัวเองว่าเรามีเหตุตรงนี้ครบไหมสำหรับผู้ที่หวังที่จะขัดเขากิเลส มีคุณธรรมเกิดขึ้นในใจสงบจากกิเลสเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเราก็สามารถที่จะเอามาวัดผลกับเราได้ว่ามีคุณสมบัติอย่างนี้ไหมเหตุที่จะทำให้เป็นพระโสดาบันข้อที่หนึ่งสับปริสังเสวะคือให้เข้าไปหาสัพปรุษหมายถึงผู้สิ้นกิเลส ผู้ห่างไกลจากกิเลส ท, ที่ว่านี้หมายถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่หมดสิ้นกิเลสตามพระพุทธเจ้าท่านในสมยัยพระเจ้ายังทรงพระจนอยู่ก็หมายถึงพระพุทธเจ้าเลยไปหาพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้ที่มีคุณธรรมหมดสิ้นกิเลสถ้าเป็นไปได้เมื่อไปแล้ว แล้วผู้ที่สมควรเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยมันก็มีหลักในการพิจารณาด้วยว่าเมื่อไปอยู่ด้วยแล้วไปศึกษาแล้วเนี่ยมันมีความละอายต่อบาปอย่างแรงกลา้าคือจิตใจเนี่ยมันไม่อยากทำบาปไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่ดีมันมีผลต่อจิตใจของเราเมื่อไปอยู่กับท่านแล้วก็ให้ฟังทำ ฟังพรสสัทธรรมสัทธรรมะสวรรฟังพรสสัทธรรมธรรมที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เมื่อเอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้กิเลสมันเบาบางลงไปน้อยลงไปสักถามให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อมาอีกก็ให้ใส่ใจให้ถูกต้องเรียกว่ามีอยู่นโสมนสสิการ ใส่ใจเพื่อให้ได้ประโยชน์ให้มันเกิดเป็นกุศลขึ้นในใจใส่ใจเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่แท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใส่ใจเพื่อให้มันเมื่อในายคลายวางความยึดมั่นถือมันนี่เรียกว่าใส่ใจถูกต้องผู้ดียังหนึ่ว่าคิดเป็นกันนะ คิดให้มันให้มันได้ประโยชน์อย่างเขาทำให้เราโกรธอย่างนี้ถ้าคิดเป็นก็เออดีแล้วเราจะได้ตรวจสอบดูว่าเราจะละความโกรธได้เร็วหรือว่าชา้าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากความโกรธครั้งนี้มันจะดับไปไหมหรือว่าจิตใจของเรามันเลื่อนชั้นขึ้นัหม แต่ก่อนนี้ความโกรธเนี่ยโมโหมันรุนแรงนะมันบีบคั้นแผดเผาใจเราข้ามคืนข้ามวันก็มีคราวนี้ดูซิว่ามันจะนานแค่ไหนอย่างเงี้คิดคิดเป็นกุศล น, นะคิดเอาประโยชน์่ะคิดดูว่ามันจะดับเร็วดับช้า่ะไม่ไปยึดความโกรธเมื่อเป็นเราไม่ส่งออกไปข้างนอก จะไปทําร้ายคนอื่นไปตาหนิคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นหรือว่าคิดว่าแสดงว่าเราเนี่ยเคยว่าเขาเคยทําเขาเขาก็เลยทําเราเพื่อให้มันปล่อยวางได้เขาว่าเราก็ดีแล้วเราจะได้หมดเบียนหมดกรรมกันเช่ ไม่สร้างเวรสร้างกรรมคนันอีกเราจะไม่ไปขอเวรขอกรรมให้อาภัยให้อโหสิกรรมเขาเพื่อเยะได้หมดเวรหมดกรรมกันนมันก็เบาลงไปอย่าคิดเป็นคิดถูกนะคิดเพื่อที่จะไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาบีบ ค, คั้นจิตใจเรา เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตฝึกใจเราเลยข้อที่สท่านว่าเอามาประพฤติปฏิบัติให้ทมย่อยคล้อยสู่ธทมใหญ่ทมใหญ่หมายถึงความจริงสูงสุดคือพันิาพาสทุกอย่างมาจากเหตุจากปัจจัยเป็นสภาพธรรมตามธรรมชาติไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนั้น ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์บุคคลมันอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าจิตปฏิบัติแล้วพออะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเฉยๆอย่างนี้เรียกว่าสอดคล้องกับความจริง สูงสุดคือพลิตภัณฑ์ถ้ามีสี่ข้อนี้เป็นเหตุให้บรรลุพระโสดาบันได้อันนี้มองในแง่เหตุถ้ามองในแง่ของผลที่นี่หมายถึงผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วจิตของท่านเป็นยังไงท่านเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมันอย่างนางวิสาขาอย่างนี้โอ้ความตณีไม่มีอยู่ในใจเลย มีอะไรเกิดพอทำบุญได้ทั้งละความตน์ในใจได้พระ อ, อนาถามิภิกะท่านอนาคามิภิกะอย่างเงี้ยไม่ตณ์พอใจที่จะทำบุญพอใจทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระศาสนามาถ้าว่าจิตเรายังไม่เป็นพระโสดาบันเราจะไปเอาคุณสมบัติของพระโสดาบันมาฝึก ปฏิบัติบางทีมันก็ยากมันก็ฝืนมากเพราะจิตเรายังไม่เป็นถ้าจิตเราเป็นวโสดาบันแล้วท่านบอกว่าความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีวันไหวเลยนะมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนิดที่ไม่หวั่นไหวเชื่อในคุณของพระพุทธเจ้า ว่าท่านเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตัดสลุชชอบได้โดยพระองค์เองเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถสอนฝึกบุรุษผู้สมควรฝึกไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจำแนกแจกแจงธรรมและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมา จิตใจจะสงบจิตใจจะเยือบเย็นเพราะมันลงให้คุณของพระพุทธเจ้าเพราะมันมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเขาจึงมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ในใจจริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมไม่มีความหวั่นไหวเลย ก็คือพระธรรมคุณสวัสดิธรรมสวาสดาโตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะสันทิตโกเป็นผู้รู้ได้ด้วยตนเองเกิดขึ้นเองนะไม่มีการ้อมเข้ามาสู่ตน นั่นแหละที่เราสวดในพระธรรมนั่นละผู้ใดอยากรู้อยากเห็นก็ให้มาปฏิบัติผู้มีปัญญาผู้เป็นวินญูชนยอมรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยมันลงใจอย่างนี้เลยเพราะท่านเห็นธรรมในใจของท่านใจมันก็เบิกบาน แตพอเราลึกถึงคุณพระธรรมเท่านั้นมันไม่หวันไหวไม่สั่นคลอนไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระสงค์ชนิดที่ไม่วันไหวเหมือนกันประหารความหวันไหวได้ประหารความไม่เชื่อได้จิตใจเนี่ยมันน้มดิ่งศรัทธาแน่วแน่ ในพระอริยสง์เพราะตัวเองอะ่ะมันเห็นอยู่จิตมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแต่ก่อนทุกมากแต่เดียเ๋ยวนี้ทุกมันไม่มากแล้วมันเห็นนะมันเห็นคุณอยู่ในจิตเรานะแล้วข้อสุดท้ายมีศีนอริยกันตาศีน ศีลเป็นที่สันเสริญของพระอริยเจ้าหมายถึงมีพระพุทธเจ้าสันเสริญคือมีศีลอยู่ในใจใจนะ่ะมันเป็นศีลเลยจะไปล่วงละเมดิดศีลไม่ได้ใจมันจะไม่กล้าทำมันบังคับทําไม่ได้ทําแล้วก็รู้สึกว่ามันฝืนใจมาก ทำไม่ลงมันมีศีลอยู่ในใจศีลไม่ทะลุไม่ด่างไม่ร้อยเป็นศีลเพื่อขัดเก้อกิเลส้วยเป็นศีลเพื่อที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์เพราะมันเป็นไปเพื่อให้เกิดเป็นสมาธิใจตั้งมั่นมีปัญญาอันนี้ผู้ที่เป็นพระโซดาบัต จะต้องมีคุณสมบัติอันนี้อยู่ในใจบางทีบางคนก็พอได้ยินว่าอย่างนี้ก็เอ้ยเราก็มีมีความเลื่อมใสในพระพุะทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่หวั่นไหวละใช้ได้ละแล้วก็ศีลของเราก็บริบูรสมบูรณ์ีนา ไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ประพติผิดในกรรมไม่ได้เกาเท็ดไม่ได้ดื่มสุดาเมลัยก็สรุปว่าตัวเองเป็นระโสดาบันอันนี้มันเป็นคุณสมบัติภายในจิตของระโสดาบัณฑ์ต่างหาหมายว่าผู้ที่เป็นระโสดาบันแล้วจิตท่านต้องเป็นอย่างนี้เป็นเครื่องมือวัดผล ของความเป็นพระโสดาบันแล้วมีอีกข้อหนึ่งท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละมีความไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์สามข้อแล้วข้อเติมเข้าไปอีกข้อหนึ่งว่าเป็นผู้ที่หมดสิ้นความตณีของพระโสดาบันไม่มีความตะหณีในใจถ้ามีเหตุผลพอเสียสละได้พอให้ได้ท่านจะเสียสละได้ทันทีชนิดที่ไม่เสียดาย ชนิดที่ไม่อะไรอาวร์ที่หลังแล้วอย่างเหนึ่งพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์ได้สามข้อสังโยชน์นี่หมายว่าสิ่งที่มันผูกสัตว์เอาไว้ในวัตตาสงสารนะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเพราะมันมีสังโยชน์พระโสดาบันละได้สามข้อคือหนึ่งละความหลงผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเรา สักยะทิฏฐิความหลงผิดว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราแค่ความหลงผิดความเห็นผิดนะไม่ไม่สามารถละตัวตนที่ละเอียดได้คือพระโสดาบันในปฏิบัติไปอย่างที่เราปฏิบัติเจริญนิอาริยมากมีองค์สติสัมปชัญญะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเนี่ย จกนกระทั่งจิตเป็นปกติละเจตนาที่มันจะไปทำสิ่งที่ไม่ดีได้ไปละเมิดทุจริตทางกายทางวาจาได้จกนกระทั่งจิตเป็นปกติได้ต่อมาก็จิตเป็นสมาธิตั้งมันตั้งมันแล้วมันรู้ความจริงด้วยบางทีบางจังหวะมันก็รู้นะบางจังหวะมันก็ไม่รู้ก็คือเราต้องปฏิบัติไปเรื่อย แล้วแต่ว่ามันอยู่ยังไงจิตของเราบางทีมันก็สงบเออบางทีมันก็มีกำลังขึ้นมาบางทีก็มีอะไรแวบๆเกิดขึ้นดับไปเนี่ยบางทีอะไรผ่านมาเหมือนมันเกิดดับไปหเห็นเฉพาะหน้าอย่างเนี้ยแล้วถ้าการเห็นอันเนี้ยมันมีพลังพอมมันมันมันมีความลึกซึ้งเข้าไปสู่ใจใจมันแจ้งชัดขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่มีเราไม่มีของเรา มันเด็ดขาดอยู่ในจิตเนี่ยจิตตอนนี้มันประหารกิเลสได้ประหารความหลงผิดตรงนี้ได้เพราะนั้นประหารได้แล้วความหลงยึดว่าเป็นกายกระใจเป็นเราเป็นของเรามันก็เลยไม่มีแต่เป็นเราละเอียดละเอียดยังมีอยู่นะเวลามันไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เ, นเออเขาดีกว่าเราเราแย่กว่าเขาเราดีกว่าเข า, เ า, า, เขาอย่างเนี้ย ไอ้ความเป็นมานะอย่างเนี้ยความถือตนถือตัวอย่างนี้มันยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ความหลงผิดความเห็นผิดหยาบๆยาเนี้ยมันดับไปเพราะนั้นพระโสดาบันนี่จะมาทำอะไรเพื่อตัวเองที่มันไปทำห ย, ยาบๆยาบละกรรมหยาบๆยาบได้กรรมที่จะทำให้ไปตกอบาญภูมิทันละได้เลยเคยไปทำ ทำไม่ดีจนกระทั่งทําให้ตกอบายภูมิได้เนี่ยไม่มีเพราะท่านละได้แล้วตัวตนระดับนี้ดับไปหรือทาให้ละความสงสัยความลังเลสงสัยในการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยก็หมดไปด้วยเพราะมันเห็นอยู่เฉพาะหน้านี่แหละเพราะนั้นมันจึงว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนิดที่ไม่หวั่นไหว เราก็เชื่อมั่นในการปฏิบัติของตัวเองโซดาก็คือโสตโสเปว่ากระแสะกระแสะในที่นี้คืออริยมรรคมีองแปงคือผู้ที่สามารถที่จะหมดสิ้นกิเลสได้สามารถถึงพระนิพพานได้สามารถเป็นพ่อหลานได้นี่สังยุธข้อที่สองข้อที่หนึ่งนั่นละ สักยะทิฏฐิคือความเห็นว่ากายกับใจเป็นเราเป็นของเราเพราะมันเห็นเฉพาะหน้าว่าเออเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนี่อ๊ยมันดับฟุกไปเลยนะแล้วมันก็โอมเมื่อกี้นี่ดับไปนั่นเนี่ยเราเห็นรู้จิตเรานี่มันบอกเลยนะมันไม่ใช่ของเรานะเบาสบายโล่งโป่งชัดแจง้งนึกมาเมะื่อไหร่กะตรงนั้นมันไม่เลือนหายไปจากจิตใจใจก็เบาสบาย ข้อที่สามเนี่ยเรีว่าศีละพัตปรามาตไม่รูปคําสิ่งพิธีกรรมด่างๆที่ไม่จาเป็นพระโสดาบันจะลไดา้ไม่ติดไม่ข้องในพิธีพิธีกรรมไหนมีประโยชน์ก็ทําพิธีกรรมไหนไม่เบี่ยวละไม่รูปไม่คําทําด้วยความรู้ความเข้าใจเล็งไปที่ประโยชน์ของมันเล็งไปที่คุณค่า ของมันเขาลบนับถือพระพุทาธรรมพระสงฆ์ก็เล็งที่จะปฏิบัติตามเพื่อให้ตัวเองพ้นทุกข์ไม่จะไปกราบไหว้หวังพึ่งปาฏิหาริย์ทำบุญสุนทานก็ทำด้วยความเข้าใจเพื่อให้จิตของเรามีสติดีใจสงบใจตั้งมัน่นเพื่อให้เกิดปัญญาญาณท่านจึงไม่ลูกคำศีละพุ ศีนก็ปฏิบัติเพื่อให้เป็นพื้นฐานของสมาธิเพื่อให้เป็นพื้นฐานของปัญญาเพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เนี่ยทำด้วยความเข้าใจนี่เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของวสดาบัติเนี่ยมองในเน่ของสังโยคละสังโยได้3อย่างทีนี้พอท่านบรรลุธรรมแล้วปัจเจเวคณาญาณหมายถึงมาสํารวจตรวจสอบดูว่าเออ เราเห็นอย่างนี้ล้วจิตของเราเบาไปอย่างนี้แล้วแต่ยังมีอะไรหนักๆอยู่ในจิตมันยังมีสิ่งที่เรายังละไม่ได้เพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเห็นเลยโอ้โหเนี่ยมันยังทุกข์อยู่นั่นเนี่ยมันบีบคั้นอย่างนี้นั่นเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติอีกที่ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอยู่ในใกายในจิตของเรานี่ละ่ะ ช่องทางไหนที่ทำให้สติของเราดีจิตมีกำลังตื่นตัวละนิวรทั้งห้าได้ก็ทำจงกระทั่งอริยมรรคมีองค์แปดบริบูรณ์สมบูรณ์ครั้งที่สองก็ปฏิบัติเหมือนเดิมรายละเอียดอาจจะแตกต่างกับครั้งแรกบ้างแต่ว่าอยู่ในกายในจิตเหล่านี้ ความเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอาจจะมากขึ้นจนกระทั่งมันมีกำลังพอประหารกิเลสครั้งที่สองก็คือเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยแหละมันต้องมาที่นี่กายกับใจไม่ใช่ของเราเห็นกายก็ตามก็ต้องเห็นใจด้วยเห็นใจก็เห็นกายด้วยเห็นรูปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ต้องเห็นใจเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงชัดแจ้งอีกคราวนี้ละสังโยชน์ได้สามเท่าเดิมเท่ากับพระโสดาบันแต่โลภโทสะโมหเบาบางมันจะเบากว่าเดิมเยอะสิ่งที่มันมันมั น, มนลอยลัดเราให้เราติดอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันเบาลงเพราะมันเห็นมันเห็นมากขึ้นแล้ว มันมีอะไรเป็นเรามากขึ้นเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นสภาวะธรรมเฉยๆถ้าเรามียึดได้เลยเนี่ยโอโ้โหมันต้องสบายที่สุดเลยก็ต้องอยากปฏิบัติต่อไว้อีกเพราะมันยังมีทุกข์อยู่ทีนี้ตัวที่เด่นๆมันจะปรากฏขึ้นเดี๋ยวนี้ตัวที่ละได้แล้วขาดออกไปแล้วตัวที่เป็นรายละเอียด พวกลูบลถกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยจะเด่นขึ้นมาเลยเอออันนั้นก็อยากอันนี้ก็อยากมันก็จะเอานี่ก็จะเอาจุกจิกจุกจิกเหมือนกับกิเลสมากขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันโผล่ขึ้นมาแล้วทั้งกามราคะก่อตามในเรื่องของเพศหรือว่าลูลดกลิ่นเสียงสัมผัสนี่ มันวัดแว บ, บ, บ, บขึ้นมาเห็นเลยเพราะนั้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้โผล่ขึ้นมาในจิตใจไม่ได้ก็เป็นปฏิฆาขึ้นมาเนี่เพราะนั้นกรารมราคะากับปฏิฆาคู่กันอยู่มันยินดีมันก็มียินหลายเกิดกรารมราคะแล้วก็เกิดปฏิฆา เนื่องจากท่านไม่ถอยพยายามประพฤติปฏิบัติต่อไปตามดูเรื่อยไปก็คือหเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ยงั้นนะถ้าต้องการกำลังก็มาเพ่งเล็งขันห้าเพ่งเล็งกายบ้างเพ่งเล็งจิตนะกายเวทนาจิตธรรมขึ้นอยู่ความเหมาะสมให้จิตมันตื่นตื่นแล้วก็ละนิวรณได้แล้วมันตั้งมัน่น เลือก็มีปัญญาเห็นขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปเห็นกายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกต่อไปผู้ที่กำลังปฏิบัติเพื่อเป็นพุทนาคาเมีเนื่องจากว่ามันยังเอามาเพื่อร่างกายท่านจึงต้องพิจารณาร่างกายมากก็ยังต้องดูร่างกายให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในแง่ของการปฏิบัติ ชาลูกมาก็เพื่อหลางกายก็เพื่อใจด้วยก็มีเพื่อความมีชื่อเสียงความพึงพอใจอาหารการกินก็เพื่อหลางกายเสื้อผ้าแพ่พันเพื่อหลางกายที่นอนนุ่มๆเพื่อหลางกายเนี่ยมันมันมันหนักที่หลางกายเพราะฉะนั้นบางทีต้องมาให้เห็นว่าหลางกายไม่ใช่ของเรามา แต่ไอ้ที่มันไปยึดร่างกายก็คือจิตนเองที่มันหลงมันก็มาดูจิตจริงเหมือนกันกายบ้างจิตบ้างแล้วแต่ว่าอะไรจะปรากฏขึ้นมาเราอยู่ในรูปน้ำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายใจเป็นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณธาตุเนี่ยของศักดิ์ปรกไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันก็อยู่ในนี้แหละคือทำหาวิธีที่จะให้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพูดพูดเป็นกลางกมันต้องพูดอย่างนี้บางคนก็เอาอาสุภาตั้งขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันมันไปจะ ก, กิจเนี่ยที่ไปยึดไปหลงรูปไปหลงรูปรสกินเสียงสําบัติมันติดในรูปหนักในรูปท่านก็ต้องมาพีรนะ กายพินาลูกเพราะนั้นช่วงไหนที่มันมันเด่นชัดขึ้นในจิตมันได้ประโยชน์ะมันมีความลึกซึ้งอยู่ในจิตก็พินาไปได้จะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในขันห้านี้แหละแตอมองในแงสติประธานสี่เมือกกายเวทนาจิตธรรมมองในแง่ของกายก็อา้าว อาการสามสิบสองตรงนีธาตุกับเอาธ า, า, า, า, า, า, าตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุสธาตุสุภาะกศพว่าไปปฏิกูลทีนี้มันจะสัมพันธ์กันว่ามันติดอะไรบางทีมันติดอาหาร มันก็ต้องได้พินาอาหารนี่ทำไมจิตมันไปติดไปององมันต้องได้เข้าใจกันมันรับประทานเพื่ออะไรอาหารมันฉันเพื่ออะไรกันอ๋อให้ร่างกายมันมันอยู่ได้อยู่ทำไมอออยู่เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อความบนทุกเอาก็ในเมื่อประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นแล้วไปติดมันทำไมทำไมมันอยากอะไรนักหนา ก็เอมนพออยู่ได้ไม่ได้เหรอซักไปซักมามันยอมนะมันยอมรับเหตุผลเออจริงเพราะฉะนั้นรับประทานอาหารก็ต้องให้มันพอดีให้มันปฏิบัติทําได้สะดวกจะเอามากนั้นมากกว่านั้นเกินกว่านั้นให้มันง่วงซึมเศร้าทำให้การปฏิบัติทํามไม่สะดวกไม่ได้มันจำนวนด้วยเหตุผลนที่นี้ มันยอมเลยนะถ้าจิตใครไม่ยอมแสดงว่าปัญญาอันนี้มันเข้าไม่ถึงเราพิจารณาตรงนี้น้อยถ้าหากว่ามันยอมรับเหตุผลได้ผมมันระวังเลยนะเวลาจะทานอาหารหรือชานอาหารมันจะจ้องว่ามันมันจะพอดีเมื่อไหร่มันจะพอวางเมื่อไหร่ทีนี้จะตึ๊บข้ามามันพอดีแล้ว่ย แต่ก่อนนี่ยมันขนาดนี้เรายังเติมเข้าไปเติมเข้าไปเนี่ยมันยังเมามันอยู่เนี่ยตึบเข้ามาแล้วมันจะหยุดนะทีนี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกินนี้ไปเนี่ยมันมันมันเลยละมันเกินความจําเป็นละเดี๋ยวมันจะง่วงจะซึมละนั่นมาความสังเกตมันก็จดจ่อเข้ามาสติมันก็ดีสมาธิก็อยู่ในนั้นเลยนะปัญญาก็อยู่ในนั้นเลยเนี่ย เพราทำอะไรอยู่มันจึงเป็นการปฏิบัติธรรมได้พอสติสมาธิปัญญามันอยู่ในจิตเป็นอันเดียวกันเลยทำงานไปด้วยกันได้อรอยิยมรรคมีองค์แปดอยู่ในจิตการใช้เครื่องใช้ไม้สอนยุตก็าตามจะต้องพิจารณากันเพื่อเข้าหาจิตเพื่อไม่ให้จิตนี้ไปติดไปข้องในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโพธิภพ ใหญ่ๆสิ่งที่มาสัมผัสกับกายในเมื่อมันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นไอความรู้สึกที่ไปยึดไปติดไปคล้องเนี่ยก็เกิดดับเหมือนกันด้วยเนี่ยงั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเบาลงเบาลงเพราะเราเอาเหตุผลเข้าไปลบล้างไม่ได้เอาเพื่อเรานะมีเอาเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้มีเป้าหมายอย่างนี้ พอปฏิบัติไปปฏิบัติไปอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมาปริมักมีองค์ปสมบูรณ์ขึ้นก็ประหารกิเลสได้อีกละสังโยชน์เพิ่มได้อีกสองอย่างคือละกามมราคะได้หมายถึงรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสเอาเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ได้มีตัวตนอยู่ในนั้นไม่มีกิเลสแฝงอยู่ในนั้น จิตใจเข้งแข็งแต่ดูภายนอกบางทีเมื่อจิตมันละได้บางทีก็ไม่ดูเหมือนไม่เคร่งก็มีอันนี้ตัวเองเคยเป็นก็เลยบางคนเขากำลังปฏิบัติใหม่ๆโอ้เค้่งคัดเขาก็ตําหนิว่าเออไม่ปฏิบัติไม่เคร่งไม่คัดแต่เขาไม่รู้ว่าจิตเนี่ย มันคลายวางออกไปแล้วตัวตนมันเบาแล้วมันก็เลยสบายอยู่ตามสภาพความเหมาะสมของตัวเองทำให้เข้าใจผิดได้ก็ละสังโยชน์ได้เพิ่มอีกสองอย่างคือกรรมและราคะแล้วก็ปฏิฆะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่พราะนาคามีท่านยังละไม่ได้ ห้าอยา่างต้องปฏิบัติต่อไปอีกมานะนิลาไม่ได้คือมันยังออกไปเปรียบเทียบแล้วก็มันมีผลต่อจิตมีน้ำหนักอยู่ในจิตแต่ไม่ถึงกับรุนแรงนะแต่มันมันมีน้ำหนักมันทำให้เกิดการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์ระดับหนึ่งนะจุกจีกจุกจิ ก, จกอยู่ในจิตนะ ท, ทีก็รู้สึกว่าเขาดีกว่าเราถ้าหาว่าเห็นว่าเออเขาดีกว่าเราแล้วเฉยๆมันก็ไม่เป็นไรนะเขาดีกว่าเราจริงยอมรับได้มันไม่จุกจิกอยู่ในจิตมันไม่ปรุงแต่งไม่เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาถ้าหาว่ามันเราเขาดีกว่าเราเนี่ยมันจุกจิกอยู่ในจิตละมันมีน้ําหนักอยู่ในจิตละเนี่ยมันปิดมีตัวตนออกไปลำละเราด้วยกว่าเขา ก็มีน้ำหนักอยู่ในจิตอีกแบบหนึง่งละมีตัวตนแล้วเนี่ยเป็นทุกข์ถึงไม่มากก็ตามแนละมันมีทุกข์ให้เห็นเสมอเขาก็ไม่อยากให้เขาเสมอกับเราไม่อยากเท่าเราเราได้อะไรก็ไม่อยากให้เขาได้เท่าเรามันก็ปรุงแต่งจุกจิกอยู่ในจิตแต่เขาเท่าเราก็รู้ว่าเออเท่ากันเท่าเรามันก็เฉยเฉยมันก็ดับไปแล้วไป เขาดีกว่าเราเ อ, อ่ยอมรับอันนี้เขาดีกว่าเราได้วกว่ายอมรับอันนี้เราด้อยกว่าถ้าเราดีกว่าเขาก็ยอมรับว่าเราดีกว่าเขาในส่วนนี้มันไม่มีผลทําให้จิตเป็นทุกข์ยังละมานาได้รู ป, ประาคะอย่างละไม่ได้พระนาคามีคือความสุขที่เกิดจากรูปมันก็มีอยู่คือถ้า ใช้รูปแล้วมันทำนำความสุขใจมาให้มันยังมีอยู่คือมันมันไปพอใจให้ความสุขที่เกิดจากรูปมันไม่ได้พอใจรูปนะมันไปพอใจความสุขที่เกิดจากรูปอีกทีนึงแม้แต่ความสงบเป็นสมาธิ ที่อาศัยลมหายใจบ้างร่างกายบ้างเรียกว่ารูปชาติอาศัยลูกจิตลึกๆตัวจิตน่ะมันยังพอใจมันก็ไปจมอยู่ในตรงนั้นไม่สามารถที่จะเป็นปัญญาได้ในช่วงนั้นถ้าเรียกว่าติดไม่ใช่เราติดนะไอ้ตัวจิตเนี่ยมันเข้าไปติดเอง หรือจะมองอีกแง่หนึ่งก็คือมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัตินั่นแหละถ้าหากว่ายังไม่รู้พาลานันก็ต้องมีการติดอยู่มันจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่พูดนี้พูดแบบอธิบายว่าอ๋อพระนาคามีเนี่ยยังยังมีอันนี้อยู่นะที่เรียกว่าลูปรหลาครแล้วก็อาลูปรลาคะก็ติดในอาลู รูปราคา์ก็เช่นเวิโตกวิจารปิติสุกเอกคตาเนี่ยมันสุขทางจิตมีความสุขอยู่ลึกๆก็ชอบใจพอใจก็อยู่อย่างนั้นวิตกวิจารดับไปแล้วก็มีปิติสุกเอกคตาปิติดับไปก็สุขเอกคตาสุขดับไป ก็เป็นอุเบกขาเอกคตาเนี่ยนิโรลุปชาตทีนี้บางทีท่านก็เพ่งความว่าเพ่งอากาศ <c oughs> มองคุกความว่างในกกจิตเนี่ยขยายออกไปความว่างเบื้องว่างเหมือนอากาศเนี่ยไม่มีขอบเขตนี่ละ อ, อากาศสารนันจายัตนะอากาศไม่มีประมาณ ไม่มีที่สิ้นสุดจิตก็มีความสุขอยู่ในนั้นเวิงว้างมีความสุขยิ่งกวา่าที่มีลูกก็ไปเกี่ยวข้องอันนี้เป็นเรื่องสภาวะของจิตเพ่งอากาศไปแล้วเอ๊มันยังมีตัววิญญาณตัวรู้อยู่เนี่ยเอาดูตัวรู้อีกรู้ก็ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณมีความสุข มากขึ้นเอถ้าหากว่าไม่มีจิตเลยไม่มีอะไรเลย่แม้มันคงมีความสุขมาก ก, นนากว่านี้แต่ก็เพ่งความไม่มีอากินจัญญายธนะเอ้แต่เพ่งความไม่มีแล้วมันก็ยังมีอยู่จะว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนวะสัญญานาสัญญาญตนะนี่เรียกว่ารูปอรูประลาคะในจิต เนี่ยพระอนาคามียังติดเพราะนั้นใครไปถึงพระอนาคามีเนี่ ย, าาาายบางทีก็จับได้ไอ้นี้เคยเคยไปนั่งไปนั่งอยู่ที่วัดวัดธรรมสถิตยอยู่ละยองโน่นพอฉันเสร็จแล้วเดินจงกรมอะไรเรียบร้อยก็ น, นั่งไปนั่งบนกำแพงกำแพงเจดีย์ พอนั่งไปนั่งไปตอนบ่ายนั่งสายๆกับนั่งไปเรื่อยตอนบ่ายลมทะเลมันจะเปลี่ยนะเกิดฝนตกลงมาในขณะนั้นมันตื่นขึ้นมาเหมือนกับจิตกําลังกําลังจ่ออยู่ข้างในจิตอุทานออกมาเลยโอ้โหเนี่ยมัน ม, มันไปเห็นตัวเองติดติดอยู่ข้างในลึกๆเห็นโดยบังเอิญ รู้เลยว่านี่นะนี่ที่เองที่ว่ามันติดติดรูปฌานอรูปฌานรูปราคะอรูปราประคารระคาตอนนั้นเห็นว่ามันมีประโยชน์เลยแต่ก่อนมันอยู่ในนั้นนะตั้งนานหลายชั่วโมงจนกระทั่งฝนตกลมพายุมาอื่นขึ้นมาตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้มันเข้าไปอย่างนี้อีก คราวนี้ขึงเลยนะขึงจิตเนี่ยคือกําลังจิตพอเอามาอยู่กับกายตามดูกายตามดูจิตไม่ให้มันเข้าไปอยู่นิ่ ง, งๆเฉยๆแบบนั้นอีกมันจะลงไปพักก็พักในขณะที่มันดูได้ทั่วถึงดูทั้งดูได้ทั้งหมดคืออะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็เห็นจิตด้วยพักด้วย จากนั้นมาพยายามเต็มที่เลยนะไม่ให้มันไปจมแบบที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแบบนี้ก็เลยเข้าใจอ๋อนี่เองเนี่ยที่ว่าติดสมาธิรูปราคะรูปราคะมันเข้าใจแล้วมันไม่สงสัยแต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสียหายเพราะมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติ นี่พระอนาคามีก็จะพิจารณาหาทางละรูปราคะรูปราคะแล้วก็มานะแล้วก็อุทจจะอุทจจะของพระอนาคามีมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านเหมือนคนทั่วไปนะหมายว่ามันมีอะไรผ่านเข้ามาในจิตปั๊บเนี่ยมันออกไปทําความเข้าใจคือจิตมันยังไม่เป็นอิสระยังไม่หลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นมันก็เลยเอามาพิจารณา มันยังทํางานอยู่มันยังทํางานอยู่มันก็เลยเป็นความฟุ้งซ่านอยู่ภายในเดี๋ยวฟุ้งซ่านในธรรมะอะไรก็แก๊กมันก็ทึ่งขึ้นมาในจิตป๊อแล้วก็ว่าขึ้นมาโดยที่มันมันยังสอนจิตอยู่มันยังทํางานอยู่มันไม่ใช่สัตวว่าได้ยินนะมันมีมันมีผลต่อจิตมันไม่ได้ยินแล้วก็เฉยเฉยจิตมัน เป็นอุเบกขาอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านภายในฟุ้งซ่านในธรรมโหบางทีก็นานเหมือนนะเคยเป็นเนะนี่ยระยะที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยบางทีมันคิดไปหมุนไปในธรรมนั่นแหละไปตกหลุมปุ๊บอึง้งเฮ้ยจิตเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่มันตั้งนานแล้วเนี่ยไหนมันก็รู้ขึ้นมาเนียเนี่ย แต่มันไม่ใช่ฟุง้งซ่านห้ลำคาญชนิดที่มันเดือดร้อนในจิตใจเขาถึงเรียกอุทธจักถ้าเป็นผู้ทุชนองอุทจักกูอุจักฟุง้งซ่านไปสะดุดแล้วก็ลำคาญขึ้นมาเดือดร้อนขึ้นมาเดี๋ยวอารม์นั้นเข้ามาเดี๋ยวอารมณ์นี้เข้ามาอันนี้ท่านเป็นธรรมอยู่ในใจจิตมันสนใจขึ้นมาบางเรื่องบางเล่า เด้วก็พิจารณาขึ้นมาหรือปรุงแต่งขึ้นมาในจิตบางทีก็สั้นบางทีก็ยาวสุดท้ายอาวิชชาก็คือนี่แหละมันไม่ร่วมกายกับใจไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรารไม่เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปผู้นี้อย่งการปฏิบัติแต่ในภาษาปริยัติท่านบอกว่าออมันไม่รู้นี่คือทุกข์ นี่คือทุกทุกควรกำหนดรู้มันก็ไม่ไปกำหนดรู้รู้ไม่สมบูรณ์ไม่ชัดแจ้งมันก็เลยละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้น่โลดคือนิพพานก็ไม่แจ้งขึ้นมาอริยมรรคอมลต่ก็ไม่สมบูรณ์นะถ้ามันรู้นี่คือทุกชัดแจ้งนี่คือทุกควรกำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วนะจบเลย นี่คือสมุทัยเห็นเป็นสิ่งที่ควรละได้ละแล้วนี่ น, นี่นี่คือวิชาเกิดขึ้นอวิชามันดับนี่คือนิโรธความดับทุกเป็นสิ่งควรทำให้แจ้งได้ทำให้แจ้งแล้วนัก น, นี่คือ ทุกขะนิโรธคามินีปฏิวทานนี้คือทางดับทุกข์หมายถึงอริยมรรคเนี่หละนี่คือมรรคการพูดสั้นๆควรเจริญให้มรรคให้หยินได้เจริญแล้วจนสมบูรณ์เ น, นี่ยนิยามของะวลาเนี่ยดับทุกข์ได้สิ่งที่เคยปรุงแต่งจิตมันดับเนี่ยมันจะไม่เหมือนอันอื่นนะถ้าของพระละหันเนี่ย มันไม่ปรุงแต่งอยู่ในจิตนะมันเฉยๆเหมือนจิตมีเหมือนไม่มีเหมือนไม่ใช่ของเราอย่างนั้นเลยน่ะมันคนละอย่างกับที่ผ่านมานะมันยังมีเราอยู่อะแต่ก่อนน่ะแต่คราวนี้มันไม่มีเราอ่ะเฉยๆเหมือนกับมันว่างๆเหมือนกับมันตัวมันเองอะมันว่างไม่มีตัวตนนะมองไปของนอกก็ว่างด้วยไม่มีอะไรอ่ะมันพูดไม่ถูกเลยที่นี่นะ นี่มันยังไม่อยากพูดนะทีนี้ถ้าคนเข้าถึงเหมือนกันก็ไม่ไ ม, ไม่ค่อยพูดอะ่ะถ้าเข้าไม่ถึงมีชอบพูดนะทีนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นิพพานเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าถ้าเข้าถึงแล้วมันบอกไม่ถูกทีนี้ก็มันเห็นอยู่ในจิตอะ่ะจิตมันเป็นแล้ว จะว่าหมดงานก็ใช่จะไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่นิดก็ใช่พรนิพพานเนี่ยก็คือจิตที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไปถึงตรงที่จิตไม่ปรุงแต่งหมดสิ่งที่ปรุงแต่งในจิตไปถึงเดียวอนิพพานนิพพานจึงไม่ใช่จิตนิพพานก็มีอยู่แล้วน่นเราต้องปฏิบัติให้มันไปถึงถึงเองเราก็มาสร้างเหตุเพื่อไปให้มันถึง ถ้าอยากถึงพันิพาณก็ต้องสร้างเหตุให้มันไปถึงก็คือมาปฏิบัติไม่ใช่อยากถึงเพราะนั้นจริงว่าพ่อหรหันก็เป็นสันทิติโกเหมือนกันรจริงบอกว่าสันนิติโกมีสองแบบสันนิโกของจริงกับสันนิติโกที่มันหลอกคนทั้งใครมาพูดว่าเออเป็นพ่อหรหันหรือหมดทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาตรวจสอบกัน มันไม่ใช่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะมันไม่ได้เกี่ยวนะก็ต้องมาวัดกันมาดูกันว่าจิตเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงจิตเป็นยังไงในขณะปกตินี่นะมันไม่ใช่ว่าจะไปเอาขณะนั่งภาวนานะมันต้องในจิตปกตินี่แหละเราสรุปแล้วเรารูล้ละ ว่าทางที่จะให้เป็นสมณะที่ 1, 2, 3, 4สสหรือเป็นภรรยาขั้นพระโสดาบันพระสะกะทาค า, า, า, ามีพระนาคามีพระานเราก็ต้องมาปฏิบัติสร้างเหตุก็คือมาปฏิบัติตามคำสอนของพระบุทธเจ้าเริ่มโดยการเจริญสติมันจะหนีจากสติไม่ได้ เชื่ว่าั้มีสติสั้ปปัญญามีปัญญาขึ้นมาแล้วก็มีปัญญารู้เห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามาขึ้นเชืวาทั้งยินรีมันแก่กล้ามันะหานกิเลสได้ครั้งที่หนึ่งก็เป็นพระโสดาบันบุคคลเป็นได้อยู่ที่ปัญญาแล้วมันละความหลงผิดตรงนี้เป็นพระโสดาบันบุคคล้ามันละความหลงผิดละความลังเลสงสยัย ในการปฏิบัติในคุณวุฒิธรรมปะสงค์ในลูกคำข้อปฏิบัติหรือศีลของตัวเองการปฏิบัติของตัวเองต่อไปปฏิบัติต่อไปก็เป็นพระสกทาคามีโลภโทสะโมหเบาเบาเบาอยู่ในจิตมากขึ้นปฏิบัติไปอีกละกรรมละขับปฏิฆาได้ก็เป็นพระนาคามี ปฏิวัติไปอีกละได้หมดอวิชารูปราคาอารูปราคามานะอุทจจ์อวิชาดับรู้ความจริงเต็มที่พอเห็นจิตว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจุดสุดท้ายแล้วมันก็เลยไม่มีไม่มีที่จะให้ทุกเกิดทุกก็มีอยู่ เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ทุกกายใจมันก็มีทุกอยู่เวลาไม่ไม่ได้ดั่งใจเวลาไปไปเกี่ยวข้องมีอารมณ์ข้างนอกเข้ามามันก็ยังมีผลอยู่แต่มันไม่ไปถึงจิตข้างในมันละคายคืนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเคยได้ยินหลวงตามหาบัวเหมือนน้ำธนา น้ำบริสุทธิ์ขนาไหนก็นตามถ้ากวนมันก็จะมีฟองแต่กับน้ำนิ่งๆไม่มีใครกวนสะอาดบริสุทธิ์ก็ไม่มีฟองต่างกันตรงมีฟองไม่มีฟองแต่ความบริสุทธิ์ก็เท่าเดิมอยู่คือความสบายไม่สบายมันก็แตกต่างกันถ้าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับไม่มีไม่มีตัวไม่มีตนแต่ถ้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีสมมุติว่าเราเอาไปรับรู้เอาไปเกี่ยวข้อง บางทีอารมณ์ก็ไหลไปเพลินไปกันไปด้วยกันได้แต่ไม่ใช่มันไม่รู้นะมันรู้แต่มันมันก็ออกไปแบบก็มันเป็นเรื่องของอะไรสมมุติเป็นเรื่องของโลกเพราะนั้นนึกถึงหลวงปู่แหวนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านอยากอยู่องค์เดียวมีเมียมนะแต่ตกลงกับหลวงพ่อหนูว่าเออให้ท่านอยู่ลําพังของท่านนะ า, นาอะไรท่านก็ไม่เอา จะอาว่าจะยกให้ดูพ่อหนูเสียใครไปพบก็บพบเป็นเวลาทั้งก็อยู่ของท่านอยู่ในห้องก็คือมันสบายอา้าทีนี้ให้ดูตัวเองนะหูวเรื่องพาะริยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็รู้แล้วมันเข้าถึงได้โดยการปฏิบัติ โดยการสร้างเหตุไม่ใช่ยากอีกก็พอรู้แล้วเราอยู่ยังไงอยู่ให้เป็นธรรมอยู่ให้ธรรมะในใจเราเจริญก้าวหน้าให้มันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์นี่เราคือเหตุผลมันก็นั่นเป็นหน้าที่ของสภาวะธรรมมันก็ถูกต้องถ้าคุณยังไงของการเกิดสวดาบันก็มาเกิดอีกมีคนจิตชาติน่ะ สมชาติหรือหนึ่งชาติก็ได้ถ้าพระสะกิทาคามีเกิดดีชาติเดียวบรรลุะารันแน่นอนถ้าพระนาคามีต้องไปเกิดพรมชั้นสุดท้ายแล้วบรรลุะารันอยู่บนนั้นไม่กลับมาบนโลกนี้อีกถ้าพรันแล้วก็มีชีวิตอยู่พอธาตุขันดับไปก็หมด หมดการเวียนว่ายตายเกิดวัดตตทุกข์ก็หมดไปขณะที่มีชีวิตอยู่สมควรอยู่ยังไงควรทำยังไงก็แล้วแต่ทายาสัยของท่านแต่มันจะรู้ตัวว่าเราไม่กลับมาเกิดอีกชาติสุดท้ายแน่นอนวัตตทุกข์หมดแล้วเหมือนกับที่พระพุเทธเจ้า ตัดกับสาวกของพระวันนี้เป็นพเพราะไม่รู้อริยสัจสีนี่แหละจึงได้พากันเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหรือไม่ไดเห็นอริยสัจสีสมบูรณ์ทรบางทีท่านก็พูดอุทานตัณหา เห็นในตัวตันหาตัวอยา่างอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้ใจก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนี่เอ ง, เอ ง, เองใีไ้ไอผู้ที่มันสร้างบ้านสร้างเรือนจนว่าตัวที่มันสร้างบ้านสร้างเรือนตัวนี้เองแลอวก็ตัวตันหา พูดมาแล้วอยู่ในจิตหมดเลยนะเนี่ยไม่อยู่ที่มืนนะแล้วก็ต้องถึงได้ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นนะไม่ใช่ด้วยวิธีอื่นนะทางใจมุทิตบุญนะแล้วก็ให้ไปปฏิบัติเองก็แล้วกันมันมีก็นนแค่นี้นะ ก e. ัสสะพระโคตโธ่โคโนมแบบพระบูมีพระภาเจ้าพระองค์นั้นอะราโต้ซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสมพุทธะชาพระสรุปเจาะกายโดยพระองค์เอง